อย่างที่สี่เพราะคบกัลยาณมิตรอาศัยกัลยาณมิตรซึ่งเราก็ได้ฟังไปแล้วในปัจจัยและเหตุอย่างละสี่ไปนี่มาขึ้นกำลังห้าพละห้าพละห้าที่เป็นปัจจัยให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพละห้ามีอะไรบ้างหนึ่งอัจฉติกะพละอัจฉติกะนี่แปลว่าภายในกำลังที่เกิดจากภายในคือ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 นะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเป็นผู้ที่มีอัธยาศาัยกว้างขวางเห็นไหมความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมท่านไม่ช่วยเขาเป็นต้นเนี่ยนะก็ได้รับการกระตุ้นเตือนจากภายนอกอาศัยการกระตุ้นเตือนจากภายนอกทำให้อา่าทให้เกิดกำลังในการตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดแบบสมัยใหม่ก็เรียกว่าได้รับเสียงเชียร์จากที่อื่นเนี่ยนะ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 แล้วก็อาศัยสติถึงพร้อมด้วยพินิหานบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพันอุปนิสัยภายในทวนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อแรกอาศัยหิริปารลภายในอย่างที่สองอาศัยโอต ป, ปะพรลภายนอกอย่างที่สามเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสังสมคณงามความดีมามากแล้ว เรียว่าตรวจตราดูคุณสมบัติของตนว่ามีกาลังพอที่จะช่วยเหลือสัพพสารได้จริงๆเพราะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสั่งสมมามากอย่างสุดท้ายเรียกว่าประโยคะพระกาลังคือประโยคะการประกอบด้วยความเพียรหรือประโยคะการประกอบโดยรอบนั่นเองความถึงพร้อมด้วยความเพียรความเป็นผู้ทาด้วยความเคารพ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 รมหาบุรุษนั้นเป็นผู้มีประโยค่บริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติเป็นลำดับถึงพร้อมด้วยพี่นิหารตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพะละสี่ข้อเนี่ยนะจำง่ายๆก็คือข้อแรกฮิริข้อสองโอตัปปะข้อสามอุปนิสัยสมบัติข้อสี่ประโยค่สมบัติเนี่ยนะประโยค่สมบัติก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยประโยคะ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 อภินิหารอภินิหารนั้นเป็นปัจจัยแก่บารมีฮั้นอภินิหารเนี่ยเป็นมูลเหตุของบารมีถ้าไม่มีอภินิหารการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีไม่ได้อันหนึ่งธรรมทั้งหลายอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอีกสี่ประการเรียกว่าอัจฉริยะอภูตธรรมสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะนะสิ่งที่น่าอัศจรรย์อัภูตะไม่เคยมีอยู่สี่ประการ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 ันก็มีสามัญญาสานึกในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่จิตของผู้นั้นจะไม่เศร้าหมองด้วยอำนาจความเศร้าหมองถึงบุตรแต่ว่ารักสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนลูกก็จริงแต่ว่าไม่ได้เศร้าใจเพราะลูกแปลว่าไม่เศร้าหมองไม่เศร้าใจไม่ลำบากใจเลยเป็นผู้ที่มีกรุณารักสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นแล้ท่านยังมีอัธยาศัยมีความเพียร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 ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ยิ่งเห็นชัดเลยว่าพระองค์เนี่ยเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะเข้าพระสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติอันนะั้นหรือเข้าสมาบัติต่างๆมากมายเนี่ยพระองค์จะมีความสุขขนาดไหนพระองค์เข้าพระสมาบัติเนี่ยสักหนึ่งนาทีเท่ากับเรามีความที่เรียกว่าสุขๆ ข, ของเราเราเนี่ยนะเป็นล้านๆปีก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของสุขของท่านแป๊บเดียวของท่านเนี่ยนะ แล้วท่านสละสุกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่ท่านสามารถสุกโดยส่วนเดียวเจวัน8ดวันสาวันหวันเนี่ยสละสุกเหล่านั้นมาตรากตราสังขารเนี่ยนะเคยได้ยินบ่อยมาบอกออให้ภาษาดิบุตรแสดงต่อบอกพระองค์เมื่อยพระองค์จะพักก่อนเนี่ยนะแล้วทําไมต้องทนเจ็บปวดแล้วก็เดินให้อาเจียนอะนะเดินไปอาเจียนถ่ายมาเป็นเลือดเป็นต้นเนี่ยนะอดอยากหิวโห้อยไปฉันอาหารที่ที่ไม่ได้รดรดอร่อยอะไรทําไมพระองค์ต้องทนทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นเนี่ยนะ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 โดยหันไปทําประโยชน์เกื้อกูลทําความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วการปฏิบัติของท่านเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นไม่ใช่ทําแบบตอนแรกช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ค่อยลดผล่อนผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนไม่ใช่ลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่พวกพระจานทร์ข้างแรมพระจานทร์ข้างแรมตอนแรกก็เต็มดวงอยู่ใช่ไหมตอนหลังก็แหวงไปเรื่อยแหวงแวงแหวงหว ง, วงในที่สุดก็เดือนดับแต่ถ้าพระจันทร์ข้างขึ้นอ่ะตอนแรกอาจจะเล็กแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ ม, พมที่สุด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 แต่ก็อยู่ในวัตตะด้วยการุณา ใ, น ใ, นใจของท่านจริงๆเนี่ยนะปัญญาของท่านบอกว่ามุ่งนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะมุ่งนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะแต่ก็ทนอยู่ในชาติชรามรณะชาติชรามรณะอยู่นั่นแหละก็ด้วยการุณามุ่งต่อสงสารด้วยการุณาแต่ก็ไม่ยินดีในสังสารนั้นด้วยปัญญา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 เพราะรู้จักอะไรพระองค์ใช้คาว่าเรานี่มุ่งสแสวงหาอั ส, สาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสีอายตนะและก็ขันตามเป็นจริงนี่ยนะเที่ยวว่าสแสวงหาว่าอะไรคืออั ส, สาธาอาทีนวะนิสรณะพันการบาเพ็ญบารมีของพระองค์ก็คือการศึกษาการทำวิจัยว่าอะไรคืออั ส, สาธาอาทีนวะนิสรณะของ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 ปลดเปลื่องสัพพะสัตทั้งหลายคือโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ท่านก็มองเห็นทุกแห่งเหมือนอะไรก็เหมือนกับอะไรนะเน่คำมัทยาศัยท่านบอกว่าทั้งหมดคือคุกหมดแหละว่างั้นแต่ก็ไปไปตามกรุณาว่ากรุณานี้กระตุ้น ต, น, ตนว่าไปช่วยปลดเปลื่องสัตว์ให้พ้นทุกข์นะสงสารสัตว์กรุณาต่อสัตว์เนี่ยนะทั้งปวงด้วยกรุณาก็คือปกติอยู่ด้วยกรุณาพรหมิหารเนี่ยนะ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 ในพระไตรปิฎกน้อยมากที่จะมีคําว่ามหาเมตตาแต่ว่ามีแต่มหากรุณามหาการุณีโกนาโทหิตายะนั่นแหละที่เราเอามาสวดกันนะนะเวลามีงานมีอะไรก็มหาการุณีโกนาโทหิตายะสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัพ ป, ปะปโตสัมโพธิมุตมังเนี่ยนะถ้าไม่มีกรุณาจริ ง, รงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกกิจทั้งหมดเหล่านี้ต่อไปว่าความเป็นผู้ไม่มีอาหารการมังกา ร, มมาการด้วยปัญญา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 แต่อะไรนะบางคนบอกว่าเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราัใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนก็ช่างช่างเข้ากันละกันอย่างนั้น น, นนะก็ช่างเข้าไปอะไรไปแต่นี่บอกไม่ปัญญานะบอกว่าไม่สําคัญว่าเราว่าของเราแต่ก็ไม่เกียรติคร้านไม่มีความโศกเศร้าด้วยกรุณายินดีเต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มใจที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ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 พระองค์กลัวต่ออะะารวากยักษ์เป็นต้นไหมในสังสารวัตรเนี่ยท่านต้องประสบอะไรอีกมากมายท่านกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรเพราะการุณาเนี่ยนะ